และปุราณะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสวยชื่อสาธุกะด้วยกรณียกิจบางอย่างได้ทราบข่าวว่าภิกษุจำนวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จกเสด็จจาิกไปต่อมาช่างไม้ชื่ออิสิท ต, ตะและปุราณะ ได้จัดบุรุษเฝ้าหนทางไว้สั่งว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อใดท่านเห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อนั้นท่านพึงบอกพวกเราบุรุษนั้นเฝ้าอยู่ได้สองสามวันก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาช่างไม้ชื่ออิสิท ต, ตะและปุราณะ ถึงที่อยู่แล้วบอกดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังเสด็จมาขอท่านทั้งหลายจงทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นช่างไม้ชื่ออิสิตัตตะและปุราณะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปลิดสดงขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะข้างทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งบนพุทธาถาที่ปูลาดไว้แล้วช่างไม้ชื่ออิสิตทัตตะและปูรานะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโกศลเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจากห่างเราทั้งหลายไป เมื่อใดทราบข่าวว่าได้เสด็จาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโกศลแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญอนหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ ท, าดทราบข่าวจากพระผู้มีพระภาควา่า จากเสด็จาริกจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัดชีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจากห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดไ ด, ได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จาริกจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัดชีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะน้อยใจและเสียใจว่า พระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญ อ, อันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นวัดชีไปแค ว, ว้นกาสีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจากหา่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวาว่า ได้เสดจาริกจากแคว้นวัดชีไปยังแคว้นกาสีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างจากเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ ท, าดทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสดจาริกจากแคว้นกาสีไปแคว้นมคคเมื่อนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจากห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสดจาริกจากแคว้นกาสีไปยังแคว้นมคธแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่ง เมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นมคคมาแคว้นกาสีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจกอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นมคคมาแคว้นกาสีแล้วเมื่อนั้น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 พระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ไดทราบข่าวว่าได้เสด็จาริกจากแคว้นกาสีมาแคว้นวัดชีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อ, นอนหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ ท, าดทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่า จากเสด็จจาิกจากแคว้นวัดชีมาแคว้นมัลละเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจะอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาิกจากแคว้นวัดชีมาแคว้นมัลละแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลาย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 ข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อใดทราบข่าวว่าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจมากว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าช่างไม้ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการอยู่ครองเรือนในโลกนี้คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาปลอดโปร่งท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและนับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีอยู่หรือช่างไม้ทั้งหลายความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าคับแคบนี้ของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวโรกาสเมื่อใดพระเจ้าเปรตที่โกศลมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องกำหนดช้างทรงของพระเจ้าปเสณที่โกศลแล้วทูลเชิญให้พระชายาทั้งหลายซึ่งเป็นที่สิเนหาโปรดปรานของพระเจ้าปเสณที่โกศลประทับนั่งเบื้องหน้าพระพักพระองค์หนึ่งเบื้องพระปริสดางพระองค์หนึ่งกลิ่นของพระชายาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกลิ่นของนางราชกัญญา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 ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องเฝ้าระวังรักษาแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่าจะได้ความคิดเร็วเกิดขึ้นในพระชายาเหล่านั้นได้เลยนี้แลคือความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจา้าค่าช่างไม้ทั้งหลายเพราะเหตุนั้น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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีใจปราสจากความตรนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนช่างไม้ทั้งหลาย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 มีธรรมอันงามท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือชาวโกศลมีจำนวนเท่าไรท่านทั้งหลายก็เฉลี่ยแบ่งปันให้เท่าเท่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงรับทราบชัดอย่างนี้ทปาติสูตรที่หก จบ